มกราคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เมื่อวานาวัดของเราได้รับผ้าป่ า, าจากพี่น้องชาวเมืองขอนแก่นเสียโตเป็นหัวหน้า ได้มาทอดผ้า ป, ป่าเพื่อเสาเข็มขององค์หลวงตาเมื่อวานนีรู้สึกว่าออบอุ่นได้เงินหนึ่งล้านสามมืนับาทหนึ่งล้านหลวงพ่อบวกลบคูณหารแล้วก็ต้นหนึ่งยี่สิบสองหมื่นห้านี่ยได้สี่สิต้นนะลูกหลานะ แต่นีทั้งนั้นเสาเข็มของหลวงตาเนี่ยหนึันสอ้เต้นคิดเป็นเงินออกมา32ล้านกว่าเพราะนั้นให้พวกเราที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อประกาศออกไปนี่ก็เรียบรวมรวมเข้ามาเพราะเราจะใช้เวลาตอกเพียงสามเดือนนะ ตั้งแต่วันที่30 30ามมกราเป็นวันที่หลวงตาจากไปหลวงตามรณภาพวันที่ส0มบมกราจะตอกเสาเข็มวันนั้นเป็นปฐมฤกิกจากนั้นใช้เวลาเพียงสามเดือนกะจะให้จบจากนั้นก็คงจะหาจันรหาผู้รเหมา สร้างอาคารต่อไปในขณะที่ตอกเสาเข็มนั่นก็จะสรรหาผู้รับเหมาอาคารสามหลังเจดีศาลาลายพิพิธภัณฑ์ mm. เพราะนั้นให้แถวเสาเข็มนี่แยกแยกจากแยกจากอาคารเป็นแยกเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทางหลาย ผู้ที่รักเคารพในองค์หลวงตาก็น่แหละอย่าได้ตกขบวนตกขบวนเสาเข็มเอาผู้ละต้นสองตนกันนแต่ละครอบครัวมีกี่คนลูกหลานทุกคนควรจะมีส่วนร่วมคนละต้นละตนละตนถ้ามีกำลังนะถ้ามีกำลัง พเพียงพอที่จะทําได้เราใช้จ่ายอย่างอื่นเราจังจ่ายได้เราทุ่มเทสร้างบุญสร้างกุศลเสาเข็มองค์หลวงตาเนี่ยเพียงแค่นี้เราจะไปหาเสียดายเหรอหเราน่าจะหาเสียดายอย่างอื่นเสียดายใช้อย่างอื่นการทําบุญอย่างนี้เราไม่ไม่น่าจะเสียดายน่าจะทุ่มเทถ้าเรามีกําลังนะ ถ้าไม่มีกำลังก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าไม่มีกำลังรวบรวมเข้ามาคนละมากคนละน้อยอแต่จะได้ตกขบวนขบวนเสาเข็มนะ เ, เพียงสามเรือนนะลูกหลานนะหลวงพ่อเนี่ยวันพุ่งนี้แหละก็คงจะโอนเข้าไปาในบัญชีของหลวงพ่อสุดใจที่ที่เขาถวายมา ผมเมื่อวานหลวงพ่อก็ให้ธนาคารเขามารับเอาอไปเรียบร้อยแล้วละ่ะพอกเงินจำนวนมากพอสมควรหลวงพ่อจะไม่ให้อยู่ในวัดให้บัญชีออกไปให้ธนาคารรับออกไปเพราะนั้นลูกหลานทุกคนมันชีเสาเข็มของหลวงตา เ, เพียงสามเดือนจะให้ตกได้ ก็จะจางบริษัทมาตอกตอกเสาเข็มแบบว่าตอกแตบตอกแบบพืชไปเลยละ่ะเนี่ยเมื่อตอกเสาเข็มเรียบร้อยก็คงจะขึ้นหาผู้รับเหมาแต่การรับเหมาใช้เวลาสามปีนะลูกหลานนะเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยจะใช้เวลาสามสิบหเดือน สายสามเดือนให้เสร็จจะไม่จะไม่ทำงานแบบยืดเยื้อจะไม่ได้ทำแบบแบบทำแบบค่อยๆเป็นค่อยไปทำแบบบริษัททำจ้างบริษัททำแต่พวกเราก็คงจะได้ทำแต่ที่แรกนี่นแหละย้ายต้นไม้บังปรับสถานที่บ้างอันนี้อาศัยชาวบ้านแต่พอลงมือทำจริงๆนะั้นถึงเป็นบริษัทเรา หาเงินช่วยเลยท่านี่เราหาเงินช่วยเลยส่งเข้าเพื่อสร้างเข้าไปเลยเราจะไมไ่เอากำลังชาวบ้านนะท่านเอาว่าจ้างไปเลยถาเาบอกพวกเราอยากจะได้บุญวันหนึ่งวันกี่คนงานวันลีเท่าไหร่วันนี้สามร้อยบาทแต่เราจะจะไปทํา เ้วก็เนเอาเงินสามร้อยบาทเข้าไปเลยทำบุญเข้าไปเราก็ได้แรงหนึ่งนะวันนั้นทนะามาเราจะเราจะเป็นช่างช่างวันหนึ่งแล้วเท่าไหร่วันละหนะ้าร้อยแล้วเราก็เอาจ่ายเข้าไปเลยห้าร้อยบาทเราจ่ายค่าช่างวันหนึ่งนั่นแหละเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ใช้แรงใช้เงินเลยแต่เ่ยปล่ะอยไรเพราะว่าเขา บริษัทเขาทํำเลยเราต้องเอาเงินบริษัทเขาทําจิงยูเจ้าบริษัทเขาทําแต่กินเงินเอาเงินของชกพวกเรานี่แหละหลงเงินของศรัทธา ญ, ญาติโยมพี่น้องลูกหลานนี่แหละรวบรวมกันจ้างบริษัทมาทำเนี่ยแต่ใช้เวลาสามสิบหกเดือนตามตามที่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังมานะเพราะฉะนั้นงานเจดีของหลวงตาเนี่ย ใครใครก็ตามนะอย่าพึ่งไปเนอะเจดีลงตายังไม่เสร็จนะแต่หลวงพ่อน่ยไม่แน่เหมือนกันนะวะหลวงพ่อเนี่ยทาอย่างเต็มที่เลยถึงข่าวไปก็ออก็ไปก็ไปวะถึงเจดีเลี้ยงดงตาไม่เสร็จก็ไปได้เหมือนกันนะว่าแต่ลูกหลานนั่งหลายอย่าพึ่งไปเนอะให้นี่ฉลองเฉลิมเจดีองหลวงตาของเราซะก่อนให้สร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยซะก่อน นะให้ตั้งจิตตั้งใจตั้งความปรารถนาเอาไว้นะให้ได้สร้างบาเพ็ญคุณงามร้อมดีในเจดีย์องหลงตาเนะนี่ยหลวงพ่อวาหาระยากนะเกิดมาทั้งทีชีวิตนะจะได้สร้างเจดีย์อย่างที่พวกเราได้ชัดเจนนะชัดเจนคือยังไงชัดเจนคือองหลงตาท่านประกาศตัวของท่านเองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนะ หลวงตาท่านประกาศตัวของท่านเองแล้วก็เราดูมองดูตามเหตุตามผลที่ท่านประกาศแล้วเราก็นกักเราก็เคารพนับถือเรื่อมใสเป็นความจริงอย่างที่องค์หลวงตาพูดคือไม่มีเลส์มีในตรงไปตรงมาพูดยังไงหลวงตาพูดยังไงตรงเพราะนั้นเราจึงยอมน้อมรับมายอมน้อมรับในธรรมเทศนาองค์หลวงตา เพราะนั้นเราเชื่อในพระธรรมเทศนาของหลวงตาแล้วก็ต้องเชื่อทุกอย่างที่หลวงตาได้พูดได้กล่าวเอาไว้นะเพราะนั้นเราจึงได้ทุ่ ม, ทมเทตามจิตกาลังความสามารถของพวกเราเพราะนั้นลูกให้ลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดออกไปนี่แหละดูเสาเกนะ็บเลยใช้เวลาสาเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรา วันที่30มสิบมกรานะวันที่30มสมกราเป็นต้นไปเป็นวันตอกลวงเสาเข็มจากนั้นไปก็สามเดือนตามสัญญานะที่เซ็นสัญญากันสมเดือนจากนั้นก็จบละทีนี้เสาเข็มอย่างอื่นต่อไปเนะพราะนั้นพวกเราจะได้ตกขบวนขบวนเสาเข็มโอนเข้ามาบัญชีของหลวงพรสุดใจนั่นแหะ หลวงพ่อจุดใจตันตะมะโนเสาเข็มนะไทยพาณิชภนะ์พว ก, กเาโทรถามธนาคารไทยพาณิชภนะ์เขาจะเช็คให้ดูเลยล่ะนะเช็คให้ดูแลว้วเสาเข็มของหลวงตามหาบวัวบัญชีที่เท่าไหร่เนะ้าก็โอนเข้าไปแต่บางคนถ้าโ อ, โอนจากสาขาไปสาขาเนะี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะหลวงพ่อถามเขาแล้วเมื่อวานวันก่อน เอธทำไมเป็นภาษาอังกฤษออกมาสมมติว่าเราโอนจากธนาคารกรุงไทยไปไทยพาณิชย์พอโอนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่เสาเข็มพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อสุดใจเป็นภาษาอังกฤษถ้าโอนธนาคารไทยพาณิชย์เหมือนกันนีมันจะเป็นตัวหนังสือออกมาเป็นเป็นภาษาไทยนะเนี่ยวันั้นพวกเราอย่าแปลกใจเนาะ ถ้าโอนเขาไปเป็นภาษาอังกฤษก็ษกษไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเสาเข็มเท่านั้นถามเขาว่าเป็นเสาเข็มแล้วกัน่ ะ, ะแบบว่าใช่ได้ถูกต้องนะฉะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ทุกคนวันนี้ลุงพ่อจะไม่พูดอะไรมากนะเรื่องพูดแต่เรื่องเสาเข็มวันนี้น่ะเจ้าเข็มลงตาเพราะมันเสาเข็มมันอยู่ในออยู่ในกิตในใจของพวกเราลูกหลานทุกคนที่หลักเคารพในองค์หลวงตา อยากจะเห็นเจดียด์ของหลวงตาตั้งงานขึ้นมาเป็นสังหาราศีเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรในทีเน้เนอะ์